สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดอุปมาสุดท้ายทาววัณณุตอนที่สองพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็คือในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าข้อที่เจ็ดและข้อที่แปดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าท่านหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งได้ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเรานครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราอยู่ในเรื่องเดียวกันก็คือแถววังุ่นเรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นแถววังุ่นครับในขณะที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสวนวังุ่นและเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเป็นแขนงคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ทุกคนเป็นแขนงแต่แขนงก็ สามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทนะครับแขนงที่เกิดผลมากแขนงที่เกิดผลธรรมดาและแขนงที่ไม่เกิดผลพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าสุดท้ายของแขนงที่ไม่เกิดผลนั้นเขาจะต้องถูกตัดนะครับและเอาไปเผาไฟแขนงนั้นก็ถูกปล่อยให้เหียวแห้งนะครับหลายหลาคนกําลังเหิยวแห้งครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่เสตียณที่ขาดการหล่อเลี้ยงฝ่ยายจิตวิญญาณนะครับไม่ได้เข้าสนิท ก, กับพระเจ้า จิ้มยานเขาเนี่ยนะครับค่อย ๆ, ๆเหี่ยวแห้งไปนะครับไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแววตานั้นก็หม่หมองใบหน้าก็เศร้านะครับสามารถที่จะดูได้ว่าไม่มีสารนิสุขจริงๆไม่มีสารนิสุกแท้ที่อยู่ในใจปราศจากความชื่นชมินดีที่แท้จริงได้รับความทุกข์ยากลำบากนิดนึงนิดหน่อยก็เลิกท้อใจและไม่อยากจะอยู่ในทางของพระเจ้าต่อไป เพราะฉะนั้นครับคริสเตียนที่ขาดการหล่อเลี้ยงก็คือคริสเตียนที่ขาดการติดสนิทกับพระเจ้านะครับก็อาจจะหยุดความสัมพันธ์กับพระเจ้าหยุดความสัมพันธ์กับคนอื่นหยุดความสัมพันธ์กับผู้เชื่อทั้งหลายไม่ไม่รู้สึกอยากไปโบสถ์แล้วก็ชีวิตของเขานั้นเป็นเหมือนกับขะแหงครับที่กําลังจะถูกทิ้งนะครับโยนออกจากสวนอุ่นเข้าไปอยู่ในไฟเพื่อที่จะถูกเผาไหม้ไปพี่น้องครับพระเยซูกําลังเปรียบเทียบชีวิตของเราทั้งหลาย ซึ่งเป็นแขนงครับนะครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นแขนงเราจะต้องเข้าสนิทภาษาอังกฤษใช้ว่า abide นะครับ abide แปลว่าเข้าใกล้นะครับชิดนะครับติดสนิทนะฮะหรือในระยะประชิดประชิดตัวนะครับก็คือเข้าใกล้ขนาดนั้นในข้อที่เจ็ดและข้อที่แปดที่เราจะทําการศึกษาในวันนี้เราจะพบว่าพระเยซูไม่เคยสั่งนะครับโดยไม่บอกว่าจะทําอย่างไรนะฮะ รปเยซูส่วนใหญ่แล้วพระองค์สอนนะครับแล้วก็สั่งให้ทำํำเปเยซูบอกด้วยครับว่าเราจะทําอย่างไรให้สําเร็จเรื่องครับพระจน์ของพระเจ้าได้บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จนะครับในข้อที่เจ็ดเปเยซูตรัสว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราทุกคนจะต้องมีถ้อยคําของพระองค์ฟังอยู่ในตัวเราครับมีสองวิธีครับที่ให้ถ้อยคําของรปเยซูหรือถ้อยคําที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั้นฟังอยู่ในตัวเรา วิธีแรกก็คือการอธิษฐานครับนะครับวิธีแร ก, กคือการอธิษฐานขณะที่คนคนหนึ่งอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าเขากําลังเข้าสนิทกับพระเยซูความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นจะพัฒนาขึ้นไปได้ก็คือจะต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันและกันพี่น้องครับนี่คือการเจรสนิทวิธีแรกก็คือจะต้องอธิษฐานต้องมีการพูดคุยกับพระเจ้าต้องมีเวลาที่จะอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะ ฟังพ่อสูรเสียงในขณะที่พ่อวิญญาณจะเป็นผู้ที่ตรัสนะครับผ่านทางห่วงความคิดของเราผ่านทางการอย่างรู้ของเราบางคนพระวิญญาณตรัสนะครับเป็นเสียงนะครับเบาๆให้เรารู้ว่านี่คือเสียงของพระเจ้าเพระเาะะฉนั้นพี่น้องครับการอิฐานนั้นเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารการอิฐานนั้นเป็นการแสดงออกถึงการเข้าสนิทด้วยความถ่อมใจพี่น้องครับการอิฐานก็คือการทูลขอ ไกทูนขอก็คือว่าเรารู้ว่าใครเป็นใครไผเป็นไผนะครับก็คือใครสูงใครต่ำพระเจ้าสูงครับเราต่ำที่นี่มีข้อพข้อพัญญาที่สวยงามมากครับว่าผู้ที่เข้าสนิทในพระคตด้วยการอธิษฐานเมื่อท่านขอสิ่งใดท่านก็จะได้สิ่งนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนาขอครับก็จะได้สิ่งนั้นบุคคลที่ติดสนิทกับพระเยซูกิต จะทิฏฐานเหมือนกับที่พระเยซูอธิษฐานยกอย่างเช่นในมัทธิวบทที่ยีสิบหข้อสาสิบเก้านะครับพระเยซูอธิษฐานว่าขออย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองคแต่ให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์นี่คือคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพระองค์นะครับก็คือการรับความทุกข์ทรมานและการตึงตายบนแมงเคนนะครับ ซึ่งเป็นวิธีสิ้นพระชนเป็นวิธีการตายเป็นการประหารนักโทษเป็นวิธีสิ้นพระชนที่เลวร้ายที่สุดครับพระเยซูทูลขอให้พระบิดาของพระองค์เองนั้นปลดปล่อยพระองค์จากความทุกนั้นหลีกเลี่ยงขอให้จอกนี้เลื่อนไปครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าพระบิดานั้นทรงได้ยินคําทูลขอของพระบุตรแต่พระองค์ทรงเป็นมีวางแผนไว้แล้วก็คือว่าพระองค์ทรงทราบว่า พระเยซูจะต้องทนทุกข์และสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะต้องไม่ไมต้องพินาศครับเพราะเนื่องจากความผิดบาปของเราพระเยซูเป็นผู้ที่แบกรับเอาความบาปนั้นอยู่บนพระวรากายของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างของความบาปคือความตายพระเยซูสิ้นชีวิตเพราะพระองค์รับแบกบาปของเราแทนเราและด้วยเหตุ น, นี้เมื่อเราสํานึกถึงความผิดบาปของเราเรารู้นะครับว่าทุกครั้งเลยที่เราทําบาปนั้น บาปนั้นพระเยซูรับแบกเมื hing, i, ่อสองปันปีที่แล้วครับผู้ที่เชื่อนะครับในพระเยซูจะต้องเข้าสนิทครับและอยากเข้าสนิทในพระเยซูได้จะต้องอธิษฐานในลักษณะเดียวกันกับพระเยซูนะครับเมื่อเราอธิษฐานในลักษณะเดียวกับพระเยซูบ่อยๆเราจะเริ่มรู้ครับว่าน้ำพระทัยของพระองค์จะเริ่มสําเร็จในชีวิตของเราเราจะเริ่มใกล้ชิดกับองค์พระนเจ้าครับจนกระทั่งเราต้องการให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามพระทัยของพระเจ้า นะครับผมอยากพูดอีกครั้งนึงครับว่าผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในพระคิดจะอธิษฐานแบบเดียวกันกับพระเยซูอธิษฐานก็อธิษฐานอะไรครับอธิษฐานแบบไหนครับแบบอธิษฐานให้เป็นไปนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพราะเรารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นดีเลิศประเสริฐที่สุดกับชีวิตของเรากับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราผู้ที่ชีวิตของเราเนี่ยจะส่งผลและมีผลต่อคนเหล่านั้นพี่น้องครับ คำอธิษ ฐ, ฐานของพระเยซูได้ช็มแดงให้เห็นถึงว่าพระเยซูอธิษ ฐ, ฐานไม่ใช่เพื่อตัวพระองค์เองแต่ให้เป็นน้ำทายของของพระเจ้าพระบิดาและน้ำทยของพระเจ้าพระบิดานั้นสวยงามที่สุดครับสูงสุดครับและแผ่ขยายนะครับครอบคลุมที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับครับให้น้ำทยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นสําเร็จในชีวิตของเราเมื่อเราเริ่มต้นใกล้ชิดกับองค์พระบนเจ้านะครับพระเจ้าเราจะ ต้องการในทุดแล้วเราจะต้องการให้ชีวิตของเราเป็นไปตามน้ำมันไทยของพระองค์ครับนี่คือวิธีแรกวิธีที่สองครับที่จะให้ถ้อยคําของก็คือให้ถ้อยคําของพระองค์ฟังในตัวเราก็คือการศึกษาพระมภีร์ครับการเรียนพระคัมภีร์การอ่านพระมุทีนะครับไม่ว่าท่านจะศึกษาพระมุท์กับอาจารย์ศรีบานนะครับหรือในโรงเรียนพระคิดธรรมหรือแม้กระทั่งผู้ที่ศึกษาพระมุทีเองโดยมีคู่มือประกอบ นะครับคู่มือที่ดีที่ใช้ในการประกอบการศาานั้นก็จะเป็นวิธีที่จะให้ถ้อยคําของพระเยซูฟังอยู่ในตัวเราครับเพราะว่าพระัมพี์นั้นเป็นที่บันทึกถ้อยคําของพระเยซูไวพ้พัมพีนั้นเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวครับที่ถูกเก็บรักษาไว้นานตลอดนะครับหลายศตวรรษเป็นพันพันปีในสภาพที่สมบูรณ์เพียงครับพัมพี์นั้นเป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือและมีความแม่นยําสูงมากเพราะฉะนั้นพัมพีจึงเป็นหนังสือที่มาจากพระเจ้าเป็นหนังสือที่บริสุทธิ์ เป็นหนังสือที่รับการดนใจจากพระเจ้าถือว่าเป็นพระคําของพระเจ้าคริสเตียนเราถ้ า, ากว่าไม่มีขั้มพีนั้นศาสนาของเราคงล้มคลืนเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีหลักการอ้านอิงไม่มีหลักคําสอนไม่มีอะไรที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ที่เราจะต้องมองได้และก็อ่านได้ด้วยเพราะฉะนั้นการอ่านพขั้มพีครับเนื่องจากหนังสือเป็นหนังสือบริสุทธิ์เราเรียกว่า Holy Book นะครับหรือ Holy Bible เป็นหนังสือที่รับการดนใจการท่องจําข้อความในพระคัมภีร์นั้นจึงเป็นเหมือนกับการที่แขนงนะครับจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากเท้าองุ่นครับเพราะงั้นการท่องจําข้อพี์นี้นมีความสําคัญมากนะครับระบบระวีวัฒนศึกษาของคริสจากนั้นจริงเป็นเรื่องสําคัญครับเพื่อที่ว่าเราจะปลูกฝังให้เด็กที่มีความจําดีจําง่ายและสามารถที่จะจําได้นานนะครับยิ่งโตขึ้นเขาก็จะยิ่งจําได้ชั้นลงชั้นลงเรื่อยๆ พี่น้องครับการที่เราจะสอนเด็กให้ท่องจําพังผืดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเลี้ยงลูกในบ้านของท่านในครอบครัวของท่านเพราะฉะนั้นการพาลูกไปเรียนและวิวัฒนากานะครับก็ยังไม่สําคัญเท่ากับการที่พ่อแม่สอนพระัภีร์เองนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราได้เห็นว่าในคิดจักรนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยครับแต่ว่าในครอบครัวนั้นจะต้องเป็นชีวิตของพ่อแม่ที่รักพระเจ้าอธิษฐานกับลูกทุกวัน อ่านขั้งพีให้ลูกฟังเล่าเรื่องพขั้งพีที่เล่าเรื่องต่างๆที่อยู่ในพขั้งพีให้ลูกฟังนะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะเป็นแขนงที่สะสมพระกรรมของพระเจ้ายิ่งเขาสะสมมากเท่าไหร่เขาจะเป็นแขนงที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญในการเกิดผลตามที่กล่าวไว้ในข้อที่แปดนะครับความจริงแล้วครับจะมีผลที่ตามมาสองประการที่เห็นได้ชัดในชีวิตของผู้เชื่อผู้ที่ติดสนิทกับพระเยซูก็คือ เขาจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณนะครับคนที่ติดสต่อกับพระเยซูไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอาร่านพระคัมภีร์ก็ดีเขาจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณและในสุดนั้นผลนั้นจะเป็นที่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติก็คือการที่เรามีชีวิตที่เชื่อฟังการที่เรามีชีวิตที่อา่านพระคัมภีร์อธิษฐา น, นนั้นจะทําให้เกิดการถวายเกียรติกับพระเจ้าในที่สุดและคนทั้งหลายก็เห็นว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูครับพรเพียงครับผมอยากจะจบวันนี้นะครับด้วยการอ่าน ในยอนบทที่สิบ้าเขิปแปดให้พี่น้องฝ่อยกครั้งนะครับพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านจะเป็นสาวกของเราโปรดฟังอีกครั้งพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านจะเป็นสาวกของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นนแหนงที่เกิดผลมากถวายเกียรติพระเจ้านะครับอย่าไปเป็นเลยครับ ขแขนงที่ไม่เกิดผลและก็ถ้าเราจะเกิดผลนั่นทีต้องเกิดผลให้มากครับอย่าไปเป็นเลยครับขแขนงที่เกิดผลน้อยหรือเกิดผลธรรมดาขอให้เราเป็นขแขนงที่เกิดผลมากถวายเกียรติพระเจ้าอาเมน